เขามาร่วมประชุมในวันนี้ก็ดูรักอุนนาฝาข่างพอสมควรการจัดงานขึ้นมาที่บนเขาภูก้อนแต่ตามไม่จริงแต่ละวัดท่านก็มีวัดของท่านอยู่แล้ว ต, ตามปกติอย่างวัดหลวงพ่ออย่างนี้ตกตอนเย็นหลวงพ่อก็ต้องเวียนเทียนทำมาฆบูชาวิสาขาบูชาเป็นประจำสำหรับศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ที่มาในวัดของหลวงพ่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําเวียนเทียนประทักษิณรอบศาลาเวียนพระประธานบนเสียรพระประธานก็มีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมากจะเป็นอย่างนั้นทุกวัดนะอันนี้วัดตาภูกร้อนของเราที่หลวงพ่อคิดริเริ่มขึ้นมาแต่แรกๆหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรกับมอบให้หลวงพ่อชาลีของท่านแต่หลวงพ่อก็ไลยมาปรึกษากับ ท่านนายอำเภอท่านก่อนก่อนท่านสัญญาเนะี่ยท่านนายอำเภอแล้วก็สวนหัวหน้าสวนรัศการจะเห็นว่าเจดีภูเก็ตเป็นหลักร่มโพ ร, ร่มใสของอำเภอนายูงอำเภอน า, อา้สมสังคมอำเภอบ้านคื อ, เ, อเขตสุวรรณครูหาอำเภอถิ่นนี้สรุปแ้วก็คือเป็นของจังหวัดอุดรเป็นเจดีที่มี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 แต่พวกลูกหลานศรัทธาญาติโยมก็ไร้ความหมายไร้ประโยชน์ไม่ได้รับคุณค่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะนั้นหลวงพ่อมองเห็นจุดนี้จึงได้ชักชวนประชุมหาหรือกับหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อสดจากนั้นก็ได้ปรึกษากับส่วนหัวหน้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าปรึกษาหาหรือกันจึงได้จัดงานขึ้นมาวันมาฆาบูชาวิสาขาบูชาของทุกปี ที่ผ่านมาติดต่อกันมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ได้จัดงานขึ้นมาได้ปรึกษาปรัรบกันขึ้นม า, าท่านนายอำเภอก็ได้บอกกล่าวทางสํานักพุทธให้เป็นผู้ประสานงานหลวงพ่อเองก็ได้รับ ร, ร, รู้รับทราบจากนั้นก็ได้บอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนอพระสงฆ์เจ้าวาดในทิณในเขตทิณอาเภอนายูงน้ำสมเนี่ยมาร่วมกันทําพิธี ทำพระทักษิณรอบพระเจดีย์นะอันนี้คือความเป็นมาและที่มาพูดถึงวันสําคัญที่ว่าสําคัญนั้ น, นสําคัญชะไหนน ะ, ะทำไมถึงว่าวันสําคัญวันมาฆบูชาพราะพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เดือนหกเพนคือวันวิสาขาบูชาในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ก็ได้วางได้ประกาศพระพุทธศาสนา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 ท่านี้ก็พระสงฆ์ก็ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ก็ต่างจะทำตามความคิดเห็นของตนเองคิดว่ามันถูกแต่ว่ามันก็ถูกในความคิดเห็นของตนเองแต่ถ้าจะเป็นส่วนรวมเข้ามาแล้วมันผิดแราะอะนั้นพระพุทธเจ้าท่านที่เป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาท่านก็มองเห็นจุดนี้ที่จะต้องวางหลักฐานไว้เพื่อให้เป็นกฎข้อบังคับหรือว่ากฎกติกา หรือว่ากฎหมายลักษณะอย่างนั้นแ่ะอันนี้เราว่าในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าวินัยนะ<ม>บัญญัติวินยัยต้นวิญัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพระุทธเจ้าท่านคิดเล็งเห็นวันนี้แหละเป็นวันวันเดือนสามเพนเนี่ยท่านก็คงจะทวารจิตเหมือนกันเถอะยุคสมัยนั้นนะท่านมีญาณทัศนะเนี่ยอญาณทัศนะคือญานของพระ อ, องค์ ให้ค่ายเขาแบเป็นการนั่งสมาธิและปฏิบัติในในจิตตภาวนาของพระพุทธองค์เรียกว่าโทรจิตพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้มีวิทยุติดตัวของท่านเหมือนกันโทรศัพท์ติดตัวของท่านเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าโทรไปพระสงฆ์เหล่านั้นก็รับรับโทรจิตแต่พวกเราหูหนวกไม่ได้ยินหรอกเหมือนั้นเถะ เนี่ยจะได้ยินแต่พระพูดใเจ้ากับพระสงฆ์ในนะกลุ่มเดียวกันตอนนี้พระองค์ก็บอกว่าวันนี้ให้พระสงฆ์ไปชมกันที่กรุงราชคฤห์ที่วัดป่าเวลวุวันพร้อมกันตอนบ่ายคงจะเวลานี้แหะเวลาตอนบ่ายอย่างวันนี้แหละพระสงฆ์มาโดยที่ไม่ได้นัดแนะนะไม่ได้ส่งข่าวนะไม่ได้ส่งข่าวทางนอกว่าเออนิมโนงองค์นั้นองค์นี้มนาณนะไปชมกันนะ ที่วัดปลาเวลุวัรณนะตอนบ่ายไม่มีการนัดแนะอย่างนั้นนะแต่พระสงฆ์มาพร้อมกันโดยอัตโนมัติวันนั้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่ ไ, มได้นัดแนะมาพร้อมกันเนีเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากสําหรับปุถุชนนะแต่ไม่เป็นอัศจรรย์สําหรับพระอรหันต์ผู้มีญาณทัศนะท่านไม่อัศจรรย์แต่เป็นที่อัศจรรย์ของปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะนัดแนะพระสงฆ์มาพร้อมกันถึงพันสรูปเนี่ย โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยมาพร้อมกันในวันนั้นเป็นของที่แปลกประาดอัจฉรย์อย่างมากแต่ได้พระสงฆ์มาพร้อมกันเมื่อตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นพร้อมกันพระพุทธองค์ก็ขึ้นนั่งบนอาสนะบนธรร ม, มาทิท่านจึงบัญญัติวินัยขึ้นมาในวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติกฎระเบียบวินัย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 สจิตต์ปริโยร์ปานังการทําจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาสาตนังนี่คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละในโอวาทปฏิโมกในวันนั้นพระพุทธองค์พูดอย่างเนี้ยสัปปปาปัสะาการะนังการไม่ทําบาปทั้งปวงการไม่ทําบาปก็คือไม่คิดที่จะทําบาปไม่คิดที่จะทําความชั่วไม่กระทําความชั่วไม่พูดความชั่วนี่แหละ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 สวดเป็นพระปฏิโมกให้พระสงฆ์ได้เรียนได้ศึกษาจากนั้นพระองค์ก็สวดพระปฏิโมกมาเรื่อยๆนะสวดมาเรื่อยๆให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระสงฆ์ก็พ่อเรียนไปจบแล้วก็คือภาษาของท่านเองอย่างพูดเป็นข้อๆอย่างนี้พระสงฆ์ก็จดจําเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อก็เหมือนเราพูดภาษาไทยอย่างนี้พระสงฆ์ก็จดจําเป็นภาษาไทยได้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 หลายรูปพร้อมกันเมื่อพระองค์นั่งเป็นประธานตั้งแต่หัวคำ่ำเออวันนั้นเป็นวันอุโบสถอย่างวันนี้แหละพอตอนย่าค่ำมาแล้วก็จะลงอุโบสถพร้อมกันแต่พระพุทธองค์ขึ้นไปนั่งบนอาชนะและนนงงวะแะ้วก็นั่งเงียบไม่พูดไม่ตรัสว่าอะไรไม่แสดงพระปฏิโมกข์พอนั่งตอนหัวค่ำเห็นพระสงฆ์นั่งเงียบเห็นพระพุทธเจ้าพุทธองค์นั่งเงียบ ไม่พูดไม่ตัดอะไรพระอ น, นุลก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วขอพระองค์ทรงแสดงพระปฏิโมกข์พระองค์ก็เงียบไม่พูดไม่ตัดอะไรพอถึงเที่ยงคืนนะพระอ น, นุลก็เข้าไปกราบอีกว่าเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเป็นเวลาดึกสงัดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ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 ในพุทธบริษัทสีที่นั่งอยู่นี่เป็นพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์มีอยู่เพราะเหตุนั้นเราตถาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกในสงฆ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์พิสุทําำผิดวินัยมีอยู่ในขณะนี้นั่งอยู่ในต่นบริเวณลงอุโบสแถแห่งนี้เพราะนั้นเราตถาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกเพราะรู้อยู่แล้วว่าพระสงฆ์ไม่บริสุทธิ์ทนี้ พระโมคลาท่านก็ยืนประกาศเพราะว่ า, วาพระสงฆ์องค์ใดที่ทําผิดวินัยที่ทําผิดศีลขอให้ออกจากโรงอุโบสถแห่งนี้ขอให้ออกจากสลาแห่งนี้ <Okay. S 1> ก็ไม่มีองค์ใดขยับออกไปนั่งก้มหน้าเงียบทุกองแต่นี้ก็ประกาศถึงสามครั้งก็ไม่มีองค์ใดขยับเฮออ้พ้นสุดท้ายพระโมคคล า, านั่ง เข้าฌานสมาบัติมั้งเนี่ยเข้าฌานสมาธิเข้าฌานเอาเลด้าเข้าไปจับเลยทีนี้เพ่งดูเพ่งดูเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ ไ, ไปรู้ได้ว่ามีพระองค์หนึ่งไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลนั่งอยู่ในนั้นพระโมกคาลากระเดินถุ่มเข้าไปไปหิ้วปีกออกจากศาลาหลังนั้นเลยเหมือนกันเนอ่ยพอเดินออกมาหิ้วปีกออกจากศาลาจากนั้นก็ปิดประตูลั่นลูกกรอนไม่ให้พระองค์นั้นเข้ามาอีก จากนั้นพระโตองค์ก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเราตถาคตจะไม่สวดพรอปฏิโมกเพราะต่อไปภายภาคหน้าสงที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลมีอยู่จะต้องมีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราตถาคตจะไม่สวดพรอปฏิโมกขอมอบให้สงเป็นผู้ดำเนินการสวดต่อไปนะอันนี้ที่นำเรื่องนี้มาสาธกให้ฟังก็เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งเหมือนกันว่า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 จากนั้นบริขานก็ล่องลอยมาท่านก็บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาอันนี้เราว่าบวชเอหิภิกขุท่านพระพุทธเจ้าตรัสเพียงสามสี่คท่านเองเออไม่ได้สวดไม่ได้ยติไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่วักกล่าวว่ า, าวเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วคือทำออพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติเถอะอันนี้แหละคือ ขนทางแห่งมรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ตรัสเตียงเท่านั้นอุบาสกเหล่านั้นก็เข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะเป็นผู้เตรียมเป็นผู้ทร้อมแล้วเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมาในอดีตชาติแล้วความบวชเข้าไปได้สําเร็จเป็นพระรหัส น, นี่แหละพระที่บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุเนี่แหละที่ได้มาพร้อมกันในวันมาฆบูชาวันนี้พันสองรรูป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 พระธรรมกฎหมายก็เลยปั่นป่วนไปทุกหัวไหลแหง่งเพราะนั้นเปรียบเทียบกับพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พันสร้อยลูกท่านเป็นพระอรหันต์บัญญัติฟินัยขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วเป็นคําเมื่อบัญญัติขึ้นมาแล้วเป็นสวากาตธรรมจริงๆบัญญัติเข้ามาแล้วพิกุใดก็ตามออกนอกรูนอกทางออกนอกจากพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เป็นความหายยะนะจริงๆถ้าว่าใครปฏิบัติตามำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นที่วันนี้แหะเป็นวันจึงว่าถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งสําหรับในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวางรากฐานวางกฎเกณฑ์ให้พระสงค์อยู่ในพระพุทธศาสนาให้ธประพฤติปฏิบัติสําหรับ พ, พวกศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านก็ ไม่ได้มองข้ามเป็นอย่างอื่นศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเบื้องต้นแ้วเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าต้นไม้จะมีแต่แก่นถ้าไม่มีเปลือกต้นไม้นะั่นก็เป็นต้นไม้ที่ผิดปกติเหมือนกันก่อนที่จะเป็นแก่นขึ้นมาได้ก็ต้องมีกับขีต้องมีเปลือกนี่ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมก็คือเปลือกคือกับขเป็นผู้ดูแล ดูแลท้ำชูพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เทศอบปปรมแนะนําพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาสําหรับอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คือให้มีศีลห้านะศีล น, นี่แหละเป็นรางวัลของชีวิตถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลผู้ใดก็ตามขาดศีลไม่มีศีลธรรมในจิตในใจแล้วผู้นั้นมีแต่ความหายยนะ เรีว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์เป็นผู้ขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ไปเป็นวันๆผลในสุดก็ล้มหายตายจากไปเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันให้รักเคารพเมตตาซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราไม่รักไม่เคารพไม่มีน้ําใจต่อกันแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันจะไม่สงบร่มเย็นผาสุขในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่าน ได้ปาลารบถึงพระเทวทัตนะพระเทวทัตพระสงฆ์ท่านประชุมกันบอกว่าโอ้พระเทวทัตนี่ยขาดเมตตาธรรมไม่มีเมตตาธรรมใน จ, ใจิตใจคือการกระทําสิ่งใดก็ตามเอาพักเอาพวกเอาหมูเอาเพื่อนของตัเองเป็นใหญ่ไม่เห็นแก่ใครพระพระโองค์บอกว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่มีไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติของเขา เขาก็เป็นลักษณะนี้แหละการขาดเมตตาการขาดน้ำใจการที่รังแกเหยียบย่ำคนอื่นเป็นของธรรมราสำหรับพระเทวทัตนะีพระพุทธองค์พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะที่พระเทวทัตทาอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นช้างอยู่ในป่าหิมพานมีบริวารถึง8ดห 0,000 ืนตัวอยู่ในป่าหิมพาน เราเป็นพญาช้างควบคุมดูแลฝูงไปหากินในสถานที่ต่างๆวันนั้นเราได้พาบริวารไปเดินไปไปในป่าดงบริวารช้างทั้งแปดหมื่นตัวไม่ใช่ช้างมันมันมันน้อย เ, ยเป็นฝูงไปถ้าพอเดินไปแล้วไ ป, ไปเจอลังนกอยู่ในดินนะเออจลังนกอยู่ในดิน ถ้าทุกวันนี้แถวบ้านเราก็คงจะเป็นนกเขาล่ากันมั้งที่มันร้องกลางคืนโคลาโคลาโคลอนกตัวเสียวอกเหลืองๆนั่นอ่ะมันชอบทํารังอยู่ในดินนะแม่มันก็ร้องอยู่แน่น่าโคลาโคลาอยู่กลางคืนน่ะภาษา ท, ทางบ้านหลวงพ่อเรียกว่านกเขาล่านกเขาชนิดหนึ่งเหมือนกันะแต่มันทํารังอยู่ในดินแต่นี้พญาช้างก็เดินมาเดินมากับฝูงเหมือนกันอ่ะ พอมานกเขาตัวนี้มันก็มันมีลูกเล็กๆสามสี่ตัวมันบินยังไม่ได้ยังไม่ขนยังไม่ออกนะแต่มันกําลังมันก็อยู่ในรังนั่นอนะ่ะทีนี้นกเขาล่าตานั้นก็ประคองปีขึ้นมาบอกว่าโอ้ยพญาช้างเอ้ยขคานี่าอยู่ในทางตรงนี้ยาเยียบลูกของข้าเลยลูกของข้ายังบินไม่ได้ข้ายังอยู่ในนี่มันไปไม่ได้ ขอให้หลีกทางด้วยเถินอย่าไปเหยียบลูกของข้าข้าไปเจ้าข้าขอนอบน้อมพญาช้างด้วยความเคารพนกมันมั น, ม, นมันประคองกีกขึ้นมาขอร้องช้างเหมือนกันเถะพญาช้างเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรักษาให้พญาช้างตอนนั้นมีเมตตาเหมืนกันเถอะพญาช้างตอนนี้นมีตาเมาืม่ก็ยืนค่อมค่อมรังของนกเขาล่าตอนนั้นัหนือนกันยืนค่อม น, นกรังนกตัว น, นั้นนังรังนกเขาน่ะ ทีนี้ตัวอื่นมันก็ไปข้างไปเสียดไปเสียดไปมีช้างแปดหมื่นใช่ไหมทีนี้พอไปหมดแล้วพญาช้างตัว น, นั้นก็บอกว่าให้ระวังนะยังมีสร้างโทนตัวหนึ่งจะมาที่หลังแต่ช้างโทนตัวนั้นนิสัยเกเรนะขอให้เจ้าขอร้องให้ดีแต่ถ้าว่าขอร้องไม่ดีมันจะเหยียดมันจะทะยี้เจ้านะเพราะนั้นเจ้าต้องขอร้องเขานะเพราะว่าเท่านั้น พญาช้างตัว น, นั้นก็เดินผ่านไปพออีกไม่นานช้างโทนตัว น, นั้นอ่ะช้างไผ่ตัว น, นั้นก็เดินมาอีกเลยพอเดินมานกตัว น, นี้ก็ประคองปีกขึ้นอีกเพราะงั้นแจะโอ้ยเจ้าเหมือนช้างโทนช้างใหญ่เอขอจอะได้มาเบียดเปลี่ยนจะมาเหยียบหลังของข้าพเจ้าเธอเ น, น, นี่นี่ลูกของข้าพเจ้าอยู่ที่นี่บินยังไม่ได้ก็ยังไม่ออกขนขอให้ดีทางให้ให้ด้วยเธอเนี่ยงั้ น, น, นพี่ใหญ่เนี่ยงั้น ขอให้ข้าพเจ้ า, าขอนอบน้อมอย่างสุดซึ้งเนี่ยนกตัวนั้นมันมันขอร้องเหมือนกันแตอแต่พญาช้างตัว น, นั้นมันพญาช้างกเกเรเนี่ยแต่บอกเอ้ยเออมึงทําไมมาทํารังขวางทางกูเอ่อกูจะต้องเหยียบมึงขยี้มึงอะมึงทําไมมึงไม่รู้จักตัวเองเหรอไม่รู้จักหรือทางช้างมาแถวนี้มึงทําไมไม่ไปทําที่มันหลบหลบหลี ก, ลกมาทําแถวนี้ได้ยังไง พอว่าเท่านั้นน่ะเป็นไรไปเดี๋ยวกูจะขยี้เดี๋ยวนี่หละมึงจะเอาทั้งโคตรทั้งแท่มาสู้กับกูมึงก็ชู้ไม่ได้หรอกมึงจะยกพวกมาไงก็มาเถกูจะเหยียบมันทั้งหมดเหมือนเงี้ยเหยียบทั้งโคตรมังเลยเหมือนเงี้ยไอ้ช้างเกเลตัวนั้นจากนั้นมันก็เราตีนกระเทืบล่างนกตัวนั้นแม่มันก็เลยบินเพนขึ้นไปอยู่ต้นไมเ้เหยียบแหลกละเอียดไปเลยมันก็เดินหากินต่อไปนกตัวนั้นนก็เลยบอกว่าเอาเถอะนะ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 พระยาช้างหรหยียบลูกของข้าตายเอี่ยเพราะนั้นขอให้กาช่วยเนะี่ยจะให้ข้าช่วยยังไงกาก็ถามจะให้ข้าช่วยยังไงถือโอกาสวันไหนช่วงไหนว่างๆที่มันเปลอให้บินไปกระจิกลูกกระตามาเลยงนะั้นจิกลูกกระต้าช้างเลยเหมือนกาก็บอกเออเอาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทําให้เอีอ้ยกาก็รับปากนกขอลาวเหมือนั้นแต่แต่ในนกขอลาเขาไปบอกกับมแมลงวันอีกมแมลงวันหัวเขียวนะ่ะ บอกว่าถ้าเห็นช้างตัว น, นั้นมาตาบอดเอาขี้ใคร ข, ขางนะ่ะไปขี้เสียตามันด้วยนะอย่างนั้นนะมแมลงวันตัว น, นั้นเออเอา้าวได้รับปากเลยจากนั้นอนกเข า, ล, าล่ากัวนไปหากบอีกกบอถ้าเห็นช้างขึ้นมามันตาบอดขึ้นมาให้ท่านให้เจ้าขึ้นโดดขึ้นบนอขึ้นไปที่เนินสูงนะพอนี่เนินสูงแล้วให้ร้องอบอบอบจากนั้นพอช้างขึ้นไปแล้วให้เจ้าลงไปร้องอยู่ในเหวนะ เอ่ากบก็รับคําเหมือนกันเถอะจิตจากนั้นนกเขาล่าแถนนั้นก็นมาคอยฟังเหตุการณ์ต่อมาตาก็ไปจิกตาช้างฮช้างก็ตาแตกทั้งสองข้างพอตาแตกได้ท่นี้ขี้ใครข้างกับขี้เสตามันท่านี้อ่าเพรมันตาบอดเลยอันี้สุดหนอนเจาะตามันทีพอหนอนเจาะตาเสร็จแล้วมันก็หิวน้นําท่านี้พอหิวน้ำโอบก็ไปร้องที่สูงๆช้างกับปีนป่ายขึ้นไป เพื่อไปหาน้ําพรมันได้ยินเสียงกบใช่ไหมหอังจากนั้นก็พรอลองพรลองเสร็จแล้วกบก็ลงไปลองอยู่ข้างเหวอีกที่ผาชันชันเพราะในสุดพรลองเสร็จแล้วช้างก็ปีนไปเพราะมันหิวน้ำใช่ไหมได้ยินเสียงกบตะ ก, ก่อนเสียงกบที่ไหนมันต้องมีน้ําที่นั่นมันก็ปีนลงไปก็ตกลงไปในเหวช้างตอนนั้นก็เลยตายพอตายแต่แล้วนกเขาล่ากก็เลยกระโดดขึ้นขี่เดินไปเดินมา กระโดดอยู่บนข้างหลังช้างที่มันตายแล้วนะ่ะอยงข้างช้างวิ่งไปวิ่งมาเอ่อันนี้เนี่ยนกตัวนั้นก็เลยกล่าวเป็นคําพูดขึ้นมาว่านะปัญญังระมัดเฉยยะบุคคลไม่ควรประมาทปัญญานะบุคคลไม่ควรประมาทปัญญาถ้าปัญญาใครมีปัญญาแล้วจะมีคนหนึ่งจะมีกําลังมากขนาดไหนก็สู้ปัญญาไม่ได้เนะี่ยเพราะนั้นเอ นกตัว น, นั้นก็เลยกล่าวคาถานี้นะจากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์สติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสากัฉายะปัญญาเวทิตบาปัญญาพึ่งรู้ด้วยการสนทนาคนจะมีปัญญาจะรู้ว่าใครมีปัญญาจะรู้ได้ ในเวลาที่สนทนากันถ้าสนทนากันแล้วจะรู้ได้ว่าโอคนนี้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาด่อบรู้เอออันนี้แปลว่าคนจะรู้ได้ด้วยการสนทนานะคนที่จะบริสุทธ์ได้ด้วยปัญญาบริสุทธ์หลุดพ้นจากกิเลสก็ด้วยปัญญาเหมือนกันเนีแล้วก็บุคคลไม่ควรประมาทปัญญาเพราะนั้นช้างตัวนั้นนะ่ะเออมันว่ามันตัวใหญ่นะแต่มันว่าตัวนกทั้งหลายเนี่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 การอยู่ด้วยการมีเมตตามีน้ำใจให้รักกันไว้ให้ทนุถนอมน้ำใจกันเอาไว้นั่นละ่ะโลกใบนี้ก็มีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขทางว่าพวกเรามีแต่ว่าตัวเองใหญ่มีแต่ว่าตัวเองเหนือกว่าใครอีกสักวันหนึ่งเขาะอาจจะลุ่มกินโต๊ะตัวเองก็ได้อย่างที่ช้างตัวนั่นละ่ะคิดว่าตัวเองใหญ่มีกาลังผลที่สุดนกเขาล่าก า, ามแมลงวันกบ มันลุมกินโต๊ะผลที่สุดช้างตอนนั้นก็เลยตายเพราะว่าที่ว่าตัวเองมีกาลังแต่ต่อสู้ปัญญาที่เขารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะไม่ได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ด้วยกันเขาต้องเป็นผู้ให้รู้จักชุมชนสังคมให้รู้จักการเป็นอยู่ถ้าว่ามีน้ําใจต่อกันแล้วมีเมตตาต่อกันแล้ว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 เพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอวะให้สังสมบุญกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้มาเพื่อกราบเพื่อไหว้เพื่อสักการะบูชาพระเจดีเพื่อจะนำบุญกุศลเข้าสู่จิตทกเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างได้บุญได้กุศลเข้าสู่จิตใจของใครของเราเราไม่ได้แบ่งกันในจุดนี้ถ้าใครทาก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลนี้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เป็นพลังนะเป็นพลังเนีเหมือนกับพลังปรมานูอย่างนั้นนะเนีเป็นพลังในจิตในใจเพราะฉะนั้นบุญกุศลจะผลักดันให้พวกเราไปสู่สุขคติไปสู่ทุกขคติทุกขคติคือทางต่ำอ่าไปเกิดเป็นสัตว์เรวจั้นักตกนรกหมกไหมคือบาปอกุศล เป็นผู้ผลักดันไปแต่ว่าเป็นบุญกุศลนะเป็นผู้ผลักดันไปในไปสู่สุปติไปโลกสวรรค์หรือเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติตระกูลมั่งคั่งเนี่ที่คนได้สั่งสมบุญแล้วไปหาเลือกเกิดได้เพราะงั้นแต่ถ้าเมื่อเราทําบุญในภพนี้ชาตินี้เมื่อตายออกจากนี้ชาตินี้แล้วเราไปเลือกเกิดแล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดคราวนี้เราจะเรียนหนังสือหรือเกิดมาชาตินี้เราจะเป็นเศรษฐี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 ปล่อยวางที่ใจท่นี้เมื่อปล่อยวางที่ใจความหลุดพ้นจากอาสวคกิเลสกิเลสในอยู่ในจิตในใจราคะโทสะโมหะก็จะหลุดออกจากจิตใจของพวกเราเพราะเราเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ยึดมัน่นถือมั่นปล่อยวางแล้วใจของเราก็เป็นอริยะบุคคลขึ้นมาในจุดนั้นเพราะนั้นธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แรกก็ให้พิจารณาภายนอกซะก่อนคือเรื่องสินต่อมาเรื่องสมาธิ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 พอมันออกมาทางตาเดี๋ยวตาเออเขียวปั๊ดนะถ้าพวกเราไปตีหมาดูสิหมามันโกรธมันเป็นไงเขียวปั๊ดตาของมันนะมนุษย์ก็เหมือนกันเออมนุษย์โมโหเป็นไงพวกเราเคยเห็นเราโมโหเป็นไงนนเราก็เคยเห็นอันนี้แหละกิเลสโทสะกิเลสลาคละราค้าคเป็นไงราข้าเนี่ยหวานเยิม้มเหมือนกันแต่ไปเห็นใครใครแทะตัวเองรักแต่ทํา หวานตาหวานเข้าไปเลยเพะงั้นพูดอะไรก็หวานไปหมดถูกอกถูกใจไปหมดอันนี้ว่ากิเลสราคะแต่มันเป็นพลังออกมาทางตายทางวาจายอย่างนั้นแต่มันออกมาจากใจนี่แหละมันออกมาจากความหลงเหมือนกันกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยโมหะนี่เป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านชาระตัววิชาคือตัวหลงเนี่ยแต่ตัวหลงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าชําระใจ กิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจเอปล่อยใจให้ว่างอาแล้วก็กิเลสทั้งหลายหลุดปล่อยออกไปจากใจดวงนั้นข่ะใจเป็นใจบริสุทธิ์นี่แหละเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วรู้เท่ารู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันน่ะนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้หาที่ไห น, นะผลที่สุดพูดมายืด้าวสิ่งไหนก็ตาม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 แต่ใจได้มองไม่เห็นนะแต่มีพลังนะมีพลังเหมือนบาปบุญนะมองไม่เห็นแต่มีพลังกิเลสราคะโทสะโมหะเรามองไม่เห็นแต่มันมีพลังนะธรรมะของพระพุทธเจ้าบาปบุญก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันมีพลังนะอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโณนิจฉกถาให้แก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ศึกษาได้ฟังพอเป็นแนวปฏิบัติ